จเจรินพรท่านศาสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8เมษายนพุทธศักราช2550เป็นวันที่พวกเราผู้มีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้มาวัดเพื่อมาเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเช่นบูชาพระรัตนตรัยถวายอาหารข้าวหวานให้กับพระภิกษุสามนเณรถวายสังฆทานรักษาศีลห้ารักษาศีลแป ฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิจรนวิวปัสสนาการกระทําเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนำมาซึ่งความสุขและความจเจริญไม่ใช่ไปเสริมสิริมงคล ด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยการไปเล่นการพนันด้วยการไปดื่มไปเสพสุรายาเมาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตมีแต่จะทำให้ชีวิตเสื่อมลงต่าลงไปเรื่อยๆถ้าไม่รู้ถ้าไม่ระงับยับย่างไว้ ปล่อยให้ <c oughs> การกระทำเหล่านี้เป็นไปอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วชีวิตก็จะตกลงจะพบกับความทุกข์กับความเสื่อมเสียทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้นเห็นแล้วถึงเหตุที่จะนำมาซึ่งความเป็นมงคลแก่ชีวิตและเหตุที่จะนำมาซึ่ง ความอับประมงคลทั้งหลายคือการกระทําของเรานี้เองถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำแล้วหลีกเลี่ยงละเวน้นจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้หลีกเลี่ยงละเวน้นชีวิตของเราก็จะมีแต่เจริญก้าวหน้ามีแต่ความสิริมงคลต่างๆแต่ถ้าเราเดิน ตรงกันข้ากับพระพุทธเจ้าสรงสอนให้มาวัดก็ไปบ่อนการพนันสรงสอนให้ทาบุญก็ไปซื้อของฟุ่มเฟือยสรงสอนให้รักษาศีลก็ไปยิงนกตกปลาถ้าทำอย่างนี้แล้วต่อให้อยากจะมีความเป็นสิริมงคลมากน้อยเพียงไรก็จะเป็นเพียงแต่ความอยาก จะไม่สามารถพบกับความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้เพราะการจะพบกับความที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเกิดขึ้นจากการเดินของเราถ้าเราเดินเข้าหาไฟก็ต้องถูกไฟเผาถ้าเราเดินเข้าหาร่มไม้ที่มีความร่มเย็น เราก็จะได้รับความร่มเย็นดังนั้นเราต้องดูการกระทำของเราเป็นหลักดูการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจว่ากำลังคิดอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่กาลังทาอะไรอยู่เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้คิดให้พูดให้ทาหรือเปล่าแล้คิดและพูดและทำ ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเรามีสติเฝ้าดูการกระทําของเราอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเราจะรู้ทันทีเวลาที่เราคิดอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเล่นการพนันอยากจะไปเสพสุรายาเมาอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราก็จะรู้ว่านี่มันไม่ใช่เป็นความคิดที่พระพุทธเจ้า ส่งสอนให้คิดถ้าเรารู้เราก็จะได้เลิกความคิดเหล่านี้เสียคิดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคิดให้เข้าวัดนะคิดให้ทำบุญให้ทานคิดให้รักษาศีลคิดให้ฟังเทศฟังธรรมเพราะเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเรานั่นเองไม่มีอย่างอื่น อยู่ที่การกระทำทางกายทางวาจาและทางใจเท่านั้นถ้าเราไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราคิดอย่างไรให้เราพูดอย่างไรให้เราทำอย่างไรเราก็ต้องหมั่นศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมนั่นเองเวลาที่พระเทศแล้วขอให้ตั้งใจฟังให้ดีอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆ เพราะถ้าไปคิดแล้วจะไม่รู้ว่ากำลังฟังอะไรอยู่การฟังธรรมะต้องทำให้จิตใจปีติรับรู้กระแสธรรมที่มาสัมผัสกับหูแล้วเข้าไปสู่ใจถ้าฟังด้วยสติฟังด้วยการใคายครวญพิจารณาตามก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเกิดเป็นความฉลาดรู้ถูกรู้ผิด รู้ดีรู้ชั่วแต่ถ้าฟังสักแต่ว่าฟังร่างกายฟังอยู่แต่ใจไปอยู่แถวบาร์แถวไนคลับแถวสถานที่เริงรมต่างๆฟังไปอีกร้อยชาติก็ไม่เกิดความฉลาดขึ้นมาต้องฟังด้วยสติต้องมีการรับรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการพิจารณาคิดตามเหตุตามผลที่ ไ ด, ได้ได้แสดงไว้แล้วเราจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งจากการฟังธรรมดังที่ทรงตัดไว้ว่าการเลนะธรรมัสวนังเอตัมมังกลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตพราเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราจะได้รู้เรื่องที่เราไม่รู้มาก่อน เช่นเรื่องผิดถูกดีชั่วถ้าเราเคยเสพสุรายาเมาเล่นการพรนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นเม็ดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดมดเท็จก็แสดงว่าเรายังไม่รู้เรื่องผิดถูกดีชั่วเรายังเห็นผิดเป็นชอบอยู่เห็นว่าการกระทำที่ได้กล่าวมานี้ เป็นการกระทําที่ไม่เสียหายอะไรทําไปแล้วไม่พู้มีผลร้ายตามมาแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงรู้ทรงเห็นอย่างแจงชัดอย่างจ่าชัดว่าการกระทําเหล่านี้จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียจะนำมาซึ่งความทุกข์ความหายนะต่อไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ในปัจจุบันชีวิตก็จะมีแต่จิตใจก็จะมีแต่ความ <c oughs> รุมร้อนมีแต่ความวุ่นวายตายไปก็ไม่ได้ไปเกิดในสุขติไม่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยะเจ้าแต่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นผีบ้างไปตกนรกบ้างเพราะจิตใจ นั้นได้เสื่อมไปแล้วจากความเป็นมนุษย์จากความเป็นเทพจากความเป็นพระอริยเจ้านั่นเองนะถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปเป็นสุนัขบ้างเป็นแมวบ้างเป็นนกเป็นกาเป็นมดเป็นสัตว์ต่างๆเราก็ต้องละเว้นการกระทําบาปกรรมคือต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ ปรพฤติผิดประเวณีพูดปวดมดเทศเสพสรายาเมาถ้าเราไม่อยากให้ชีวิตของเราถูกดึงเข้ามาสู่ความเสื่อมเสียสู่การกระทำบาปทำกรรมเราก็ต้องหักห้ามใจเราไม่ให้ไปเที่ยวมากจนเกินไป <c oughs> ไม่ให้ไปเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวไม่ให้ไป <c oughs> คบคนชั่วเป็นมิตรเพราะ เมื่อเราทําสิ่งเหล่านี้แล้วขั้นต่อไปก็จะฉุดลากให้เราไปทําบาปทํากรรมถ้าเราเที่ยวจนไม่มีเงินที่จะเที่ยวแล้วแต่ยังอยากจะเที่ยวอีกเพราะยิ่งเที่ยวเท่าไหร่ยิ่งอยากจะเที่ยวมากขึ้นไปเท่านั้นก็ต้องหาวิธีหาเงินถ้าหาด้วยวิธีสุดจริญไม่ได้ขอพ่อขอแม่ไม่ได้ขอยืมเขาไม่ได้ก็จะไปลักขโมย เพื่อที่จะเอาเงินมาเที่ยวต่อหรือเอามาเล่นการพนันต่อถ้าพบกับคนชั่วเป็นมิตรเขาก็จะชวนให้เราไปทําสิ่งเหล่านี้เพราะคนชั่วทําความดีไม่เป็นคนชั่วทําบุญไม่เป็นคนชั่วรักษาศีลไม่เป็นคนชั่วเข้าวัดไม่เป็นมีแต่คนดีเท่านั้นที่จะเข้าวัดที่จะทําบุญให้ทานที่จะรักษาศีล ที่จะฟังเทศฟังธรรมดังนั้นเราจึงต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่จะฉุดลากให้เราไปสู่ความเสื่อมสู่ความทุกข์เราก็ต้องเหล็กเลี่ยงเพราะเป็นเหมือนกองไฟถ้ามีคนเขาจะลากชวนเราให้เดินเข้าไปกองไฟเราก็ไม่เข้าไปเราไม่ไปแน่นอน พอเรารู้ว่ากองไฟไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับร่างกายของเราเดินเข้าไปในกองไฟก <c oughs> ็จะมีจะถูกไฟเผาไหม้จนกลายเป็นเท่าทางไปฉันใดบาป ก, กรรมก็ดีอบายามุกต่างๆก็ดีก็เป็นเหมือนกองฟืนกองไฟสำหรับจิตใจที่จะสมให้จิตใจมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความวุ่นวาย หาความสุขหาความอิ่มหาความพอไม่ได้ตามกับความดีบุญและกุศลสิ่งที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายจะทำให้จิตใจของเรามีความอิ่มหนำสำราญใจ ม, ม, มีความสุขสมีความสุขสดชื่นเบิกบานถ้าเราทำดูเราจะรู้ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ลี้ลับอย่างไรเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพิสูจน์กันได้ขอให้ทำให้ถูกและทำให้มากเท่านั้นเองถ้าทำไม่ถูกและทำไม่มากก็จะยังไม่เห็นผลเช่นนานๆจะมาวัดสักครั้งหนึ่งนานๆานจะฟังเทศสักครั้งหนึ่งแล้วก็ฟังแบบไม่ถูกรือไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจฟังนั่งพนมมือไป แต่ใจนั่งคิดถึงเริ่มนั้นเริ่มนี้อย่างนี้เรียกว่าทำไม่ถูกนะเมื่อทำไม่ถูกแล้วผลก็จะไม่เกิดขึ้นหรือทำบุญให้ทานก็หวังผลตอบแทนหวังหวังสิ่งตอบแทนหวังอยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้พอทำไปแล้วไม่ได้ผลอย่างไม่ได้ตามความอยากก็จะเห็นว่าทำไม่ทำแล้วไม่ได้ผล ก็จะไม่อยากจะทำต่อไปไม่อยากจะฟังต่อไปฟังไปแล้วไม่เกิดปัญญาไม่ฉลาดไม่รู้อะไรเลยเพราะฟังไม่ถูกทำบุญไม่ถูกนั่นเองวิธีที่จะทำบุญให้ถูกก็คือเวลาทำบุญนั้นเราต้องทำใจให้บริสุทธิ์อย่าไปมีความโลภความปรารถนาอะไรทั้งสิ้นเราทำเพื่อ ให้จิตใจมีความอิ่มมีความสุขมีความพอเพื่อเอาชนะความตะนืเชื่อเอาเพื่อเอาชนะความเห็นแก่ตัวเพื่อเอาชนะความอยากต่างๆถ้าเราทำอย่างนี้แล้วใจของเราจะเกิดความสุขเกิดความอิ่มขึ้นมาอย่าไปหวังให้ผู้ที่เรา ทำบุญด้วยให้ของเขาไปให้เขาต้องมีความเคารพในตัวเราให้เขารักเราชอบเราให้เขาขอบอกขอบใจ <c oughs> เพราะถ้าเราหวังอย่างนี้แล้วไม่ได้เป็นไปตามความหวังเราก็จะเสียใจ <c oughs> เราก็จะรู้สึกว่าทำบุญให้ทาแล้วไม่ได้ไม่ได้ผลตอบแทน <c oughs> ไม่ได้บุญ ทำดีไม่ได้ดีอย่างนั้นซึ่งไม่เป็นความเข้าใจผิดพราผลตอบแทนที่เราจะได้จากการทำบุญนั้นไม่ได้จากผู้อื่นแต่จากใจของเราเองจากใจที่มีความโล่มเย็นเป็นสุขมีความอิ่มมีความพอจากใจที่ได้ชนะความตนีได้ชนะความเห็นแก่ตัว นี่ตังหะคือผลที่เราจะได้รับ <c oughs> จากการทําบุญให้ทาน <c oughs> ดังนั้นแต่เวลาเราทําบุญให้ทานถ้าเราทําแล้วเรามีความสุขใจเราไม่หวังอะไรตอบแทนจากใครเราก็จะเห็นผลนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะมีความติดอกติดใจเพราะความสุขใจที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือคนอื่นนั้น มีความสุขมากกว่าการได้ไปเที่ยวมากกว่าการได้ไปเสพสุรายาเมาเพราะการไปการไปเที่ยวการไปเสพสุรายาเมาจะได้เพียงแต่ความเพลิดเพลินได้ความสนุกสนานพอหลังจากนั้นไปแล้วก็มีแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวใจมีความอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเสพสุราอีก แต่การทำบุญให้ทานได้ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อทำไปแล้วจะมีความอบอุ่นใจถึงแม้จะอยู่คนเดียวจะไม่รู้สึกอ้างว้างปล่าเปลียวเศร้าซ้อยงอยเหงาแต่อย่างใดนี่เป็นอนิสงส์ของการทำบุญให้ทานถ้าฟังเทศฟังแล้วก็จะถ้าฟังให้ถูกลักษณะจิตใจก็จะมีความสงบมีความเย็นมีความผ่องใส ไม่ขุนมัวไม่เศร้าซ้อยงอยเหงาไม่สงสัยในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องบุญเหล่านี้จะไม่สงสัยเพราะจะมีความเข้าใจเพราะส่วนใหญ่เรามักจะเข้าใจว่านรกสวรรค์นั้นเป็นสถานที่ ซึ่งไปหาที่ไหนในโลกนี้ก็ไม่มีแต่มันอยู่ในใจของคนต่างหากคนที่มีความสุขนั่นแหละคือคนที่ได้ขึ้นสวรรค์แล้วคนที่มีความทุกข์คนนั่นแหละเป็นคนที่ตกนรกแล้วคนที่มีความทุกข์มากๆนี่จะทนไม่ได้จะทนอยู่ต่อไปไม่ได้จะต้องฆ่าตัวเองและฆ่าผู้อื่นไปด้วย ตามที่เราได้ยินตะข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เสมอนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาทำบาปเขาไม่ได้ทำบุญนั่นเองเขามัวแต่ไปหาเงินหาทองหามาได้ก็มาซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราแต่จิตใจไม่ได้รับความสุขเลยพอมีปัญหาอะไรเข้ามา ก็จะเกิดความโกรธเกิดความแค้นขึ้นมาแล้วก็จะระงับความโกรธแค้นด้วยการฆ่าผู้อื่นและฆ่าตัวเองไปแต่คนที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนได้ทาบุญทาทานอยู่เรื่อยๆแล้วเวลามีปัญหาอะไรถ้าแก้ไม่ได้ก็จะมีขันติความอดทนจะปรงจะรับได้ว่า มันเป็นอย่างนี้ก็ให้มันเป็นไปแต่จิตใจจะไม่ทุกข์ร้อนไปกับมันถ้าแก้ได้ก็ดีถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างอยู่กันไปไม่ต้องไปโกรธแค้นโกรธเคืองใครไม่ต้องไปทำร้ายใครอย่างนี้ก็จะไม่เกิดเป็นโทษขึ้นมาเพราะจิตใจมีธรรมะมีบุญมีกุศล คอยดูแลคอยหักห้างเพราะรู้ว่าถ้าจะไปฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตนเองก็จะเป็นบาปเป็นกรรมมากยิ่งไปกว่าเดิมเสียอีกขณะนี้กำลังใช้บาปกรรมเก่าอยู่ก็ยังไม่มากมายเท่ากับการที่ไปฆ่าคนอื่นและไปฆ่าตัวเองจะทำให้เป็นบาปเป็นกรรมมากขึ้นไปอีกหลายเท่า ถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นเกิดมาก็เพื่อมาใช้บุญใช้กรรมนั่นเองเวลาที่เรามีความสุขเราก็เหมือนกับว่าเราได้ได้ใช้บุญได้ได้รับผลบุญที่เราได้ทำไว้เวลาที่เรามีความทุกข์มีปัญหาต่างๆก็หมายความว่าเรากำลังใช้บาปใช้กรรม ที่เราได้ทำเอาไวนะ้ถ้าเรายอมรับว่าบาปบุญคือวิบากของบาปและบุญนั้นเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าทำบุญแล้วผลของบุญก็จะต้องปรากฏขึ้นมาสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้านะเช่นเดียวกับบาปกรรมเมื่อทำไปแล้วก็ต้องใช้บาปเช่นบาปกรรมที่เรา เคยทำไว้ในอดีตในชาติก่อนๆถ้ายังไม่ได้แสดงผลขึ้นมาก็อาจจะตามมาแสดงผลในชาตินี้ก็ได้จึงอาจจะทำให้เราคิดว่าทำไมเราทำแต่บุญทำแต่ความดีจึงต้องประสบกับข้อกรรมต่างๆนั่นก็เป็นเพราะว่าข้อกรรมต่างๆที่เราประสบอยู่นี้เป็นผลของบาปกรรมที่เราทำไว้ในอดีตนั่นเอง หรือเห็นคนบางคนที่ทำแต่บาปแต่กรรมแต่กลับได้รับความสุขได้รับความเจริญนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเคยทำบุญไว้ในอดีตและบุญนั้นได้มาส่งผลให้เขาในชาตินี้นั่นเองดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าการทำบาปทำบุญนั้นมันมีผลตามมาเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นเองบุญบางอย่างก็ส่งผลให้เร็ว บุญบางอย่างก็ส่งผลให้ช้าเช่นเดียวกับบาปเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้บางชนิดก็ออกดอกออกผลให้เร็วบางชนิดก็ใช้เวลานานหลายปีด้วยกันจึงขอให้เราเข้าใจว่าโดยหลักแล้วการทำบุญทำบาปนี่มีผลตามมาอย่างแน่นอนจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นและเมื่อตายไปก็จะต้องไปเกิด ที่พบใดพบหนึ่งตามกำลังแห่งบาปแห่งบุญที่เราได้ทำไว้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยนะเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วและมีพระอระหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากที่ได้รู้ได้เห็นตามและได้รับรองสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสังส่งสอนไว้ว่าเป็นสวากขาโตภะวตาธมโม เกิเป็นธรรมเป็นธรรมที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไวล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นนรกสวรรค์บาปบุญเวียนว่ายตายเกิดหรือมรรคผลนิพพานเป็นความจริงทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์ ใหเห็นกับตนได้ใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างแน่นอนไม่มีอะไรจะมาปกปิดผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปได้ดังนั้นขอให้เราจงมีความเชื่อมั่นในการทําความดีเชื่อมั่นในการละเว้นการกระทําบาปละเว้นจากอบายามุขทั้งหลาย ถ้าจะเที่ยวก็เที่ยวพอหอมปากหอมคอเป็นครั้งเป็นคราวนานๆทีอย่าไปเที่ยวเป็นจนจนติดเป็นนิสัยไปเพอเป็นเช่นนั้นแล้วจะไม่มีเงินทองพอที่จะไปเที่ยวจะไม่มีเงินทองพอที่จะไปเล่นการพนันจะไม่มีเงินทองพอที่จะไปเสพสุราอย่างเมาแต่เมื่อได้เที่ยวได้เสพ ได้เล่นการพนันแล้วจะติดเป็นนิสัยเลิกได้ยากถึงแม้ไม่มีเงินทองก็จะต้องไปหามาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในที่สุดก็จะต้องไปทำผิดกฎหมายทำผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ต้องใช้บาปใช้กรรมถูกเขาฆ่าตายบ้างฆ่าตัวเองตายบ้างเพราะเงินทองไม่พอเป็นหนี้เป็นศีลกลัวเขาจะมาฆ่าก็หลบ หลบหลบหลบนี้หรือกลัวมากๆ ก, ก็ฆ่าตัวตายไปเลยนี่แหละคือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แท้ๆอย่างพวกเราเปิดหน้าหนังสือพิมพ์อ่านดูทุกวันก็จะเห็นข่าวเหล่านี้ก็เป็นเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่เชื่อในพระธรรมคำสอน หรือไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองมัวแต่แสวงหาเงินหาทองแล้วก็เอาเงินทองไปกินไปเที่ยวไปใช้ไปดื่มมัวแต่ทำอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าความดีชั่วความผิดความถูกนั้นอยู่ตรงไหนพอถึงเวลาไปทำความผิดเข้าก็สายไปเสียแล้ว แต่ถ้าได้เข้าฟังเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมอย่างที่พวกเราทำกันอย่างสม่าเสมออย่างนี้เราจะมีพระธรรมคำสอนคอยเตือนสติคอยเตือนใจเราเสมอแล้วเวลาที่เราคิดจะทำอะไรไม่ดีเราจะได้มีสิ่งมาคอยเตือนมาคอยต้านว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะหลวงพ่อแท่นเทศอยู่เสมอว่า ทำไปแล้วมีจะทําให้เราตกทุกข์ได้แต่ความทุกข์ได้แต่ความเสื่อมเสียตายไปก็ต้องไปตกนรกไปใช้เวงใช้กรรมสู้หักห้ามจิตใจดีกว่าถึงแม้จะยากจะลําบากบ้างแต่ก็ไม่สุดวิสัยของเราเราก็ไม่ได้เกิดมาจากท้องแม่กับขวดเหล้า ก, ก, กับกับการเที่ยว เวลาที่เราเป็นเด็กนอนแ บ, บะเบาเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่ของเราได้เราไม่ต้องเที่ยวเราก็อยู่ได้เราไม่ต้องเล่นการพ น, นันเราก็อยู่ได้เราไม่ต้องดื่มเหล้าเราก็อยู่ได้อยู่มาได้ตั้งหลายปีด้วยกันทำไมพอโตขึ้นมาหน่อยแล้วกับอยู่ไม่ได้เสียแล้วนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สนใจที่จะศึกษานั่นเอง เราไม่รู้ว่าการกระทาของเราดีชั่วนั้นจะเราจะต้องเป็นผู้รับผลไม่ใช่คนอื่นเวลาเราทำบาปทำกรรมพ่อแม่ไม่ได้มารับวิจากแทนเรา เ, เวลาเราทำบุญพ่อแม่ก็ไม่ได้มารับผลบุญของเรามีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะรับสิ่งต่างๆที่เราทำไป ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจากทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่มีใครมาถ่ายบาปถ่ายกรรมให้กับเราได้เมื่อผลกรรมมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรับมันเต็มๆดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะประสบกับสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายเราต้องหักห้ามจิตใจ อย่ารเริ่มทำในสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทรงให้ทรงสอนให้ละให้เว้นเนเพราะถ้าเราเริ่มทำแล้วทั้งแรกๆก็อาจจะรู้สึกว่าไม่มีผลร้ายแรงอะไรตามมาแต่เมื่อทำเข้าไปมันก็จะสะสมจากจอมปลวกก็จะกลายเป็นภูเขาไปได้ความชั่วต่างๆที่เราทำบาปกรรมต่างๆที่เราทำ อบายามุขต่างๆที่เราทำตอนต้นมันก็เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อมันทำไปเรื่อยๆมันก็จะใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราไม่สามารถหักห้ามหยุดยั้งมันได้เมื่อถึงตอนนั้นแล้วมันก็จะต้องไปทำในสิ่งที่สร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมเสียให้กับเราอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อ ถ้าเรามีสติคอยดูความคิดของเราดูการพูดของเราดูการกระทำของเราเราจะมีเราจะมีโอกาสที่จะหักห้ามยับยั้งความคิดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีการพูดที่ไม่ดีได้ดังนั้นขอให้เรามีสติอยู่เสมอไม่ว่าเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไร ให้พิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ถ้าท่านสอนให้ละให้เว้นเราคิดจะทาเราก็อย่าไปทำนะถ้าท่านสอนให้เราทำแต่เรายังไม่ได้ทำเราก็ควรรีบทำเสียเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำให้ละเว้นนั้นจะพาให้เราไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุข จะพาให้เราไปสู่ความเจริญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาต่อไปไม่มีอะไรที่จะพาเราไปได้มีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามด้วยความขมขมแน่นด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทน ไม่ท้อแท้ไม่หยุดยัง้งถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วรอบรองได้ว่าความเป็นสิริมงคลต่างๆก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนด้วยการมาวัดมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเจริญวิปัสนาเพราะเพื่อเราจะได้มีแต่ความสุขและความเจริญต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมุนกุศลที่เราได้มากระทำกันในวันนี้ ทรปกป้องคุ้มครองรักษาให้พวกเราแท้คลาดปลอดภัยจากทุกจากภัยจากความเสื่อมเสียทั้งหลายให้เรามีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอ